รรมชชาดกแผ่นที่8ลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่5กรกฎาคม2556มีชื่อเรื่องว่ารือสีหัวแตกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราควร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 ตับบางอปาราทางขมะกุโนผันเตสั้งเคปามาเดนาดาวาระกายนักตังตับบางอปาราทางขมะกุโนผันเตมหาเทเรปามาเดนาดาวาระกายนักตัง ตบบาบังอปปาราตังขามัตุโนผันเตมาหาเทเรเปมาเดนะดาวารัตเเยนกตังตบบาบังอปปาราตังขามัตุโนผันเตม า, าเทเรเปมาเดนะดาวารัตเเยนกตัง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 ถ้าหาว่าได้ประมาทพลาดพลัง้งครูบาจารย์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการได้ประมาทพลาดพลัง้งเขาขอให้ครูบาจารย์โอโหสิให้ด้วยแด้ก็พร้อมกันอย่างตรงพ่อเนี่ยเหมือนการได้ประมาทพลาดพลัง้งหมูโคกเพื่อนครูบาจารย์คณะสัตธาญาติโยมด้วยกายวาจาใจกับพวกเราก็ให้อ้โหสิซึ่งกันและกัน เพราะว่าการพูดการกระทําบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้เจตนาแต่ว่ามันพูดออกไปแล้วก็ทําให้ทําให้ผู้ใดยินได้ฟังไม่สบายใจในเมื่อไม่สบายใจมันก็เป็นไม่ใค่ไม่เป็นผลดีในการพูดนั้นเพราะนั้นจริงไหนก็ตามทางพวกพวกเราได้ประมาทพลาดพัง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 วิธีแก้ไขก็ต้องมองหาตนเองข้ามีดีอะไรข้าได้ทําคุณงามความดีอะไรมีดีอะไรจึงจะไปประมาทคนอื่นเขาอประมาทครูบาอาจารย์เขาแต่ตะแกนี่โง่มากนะเอาวิชาตัวนี้ตะแกนี่แย่มากนะจิตประเภทอย่างนี้นะดูนะอย่าให้เกิดอีกนะใจนะอตัวเองนะให้ย้อนกลับมาหาตัวเอง ถ, ถ้ามันเกิดขึ้นมานี่แหละ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 ก่อนเข้าพรรษาอันนี้เป็นประเพณีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาแต่สมัยก่อนหลวงพ่อเป็นเนนกับหลวงปู่ล่าท่านก็จะพาไปคารวะหลวงปู่กงแก้วฝั่งหลวงปูคง่คาบังในละแวกนั้น อ, อ่อันนี้ก็คือไปคารวะครูบาอาจารย์เทเรปรมานเดเลอาจาริเยปมาเทนะอ่า อ, อย่างนี้แหะหรือมหาเทเรปรมาเทนะที่ท่านมีอายุพรรษามาก แต่มาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาหลวงพ่อมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตรงตาไม่ให้ไปคาระว ะ, ะแต่ตัวของท่านเองไปเป็นคาระวะแทนหมู่พวกเพื่อนคือสมัยนั้นมัหารถยากอีกต่างหากท่านไม่ให้ไปแต่เตนี้ท่านไปเองต๋งตาไปเองนี่แหละหลวงพ่อเป็นผู้จัดของคาระวะท่านบางทีก็จัดเป็น10ชดุดบางปีนะถ้าไม่พอจัดอีก มีผ้าอาบน้ำแล้วก็มีไม้สีปั่อเลกก็มีดอกไม้ในถุงจัดเป็นชุดๆๆไว้แต่วันวันนี้ท่านก็บอกเออเราจะไปฆราวะหลวงปู่ขาวนะหลวงปู่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่ชอบเราจะไปทางนั้นนะที่นี่เราก็เตียงไว้ ท่านท่านบอกว่าท่านจะไป3ชุดเนี่เราก็เตรียมไว้สัก4ี่ชุดแล้วก็กําชับโชเฟอร์ไว้เตือห้ชุดถ้าเผื่อท่านจะไปในละแวกนั้นจะไปวัดไหนที่ท่านรู้จักมักคุ้นที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านก็ไปแต่โดยมากหลวงตามหาบัวท่านเวลาไปไปคาวะท่านจะไม่อาจาริเยปรมาเทนะอย่างที่พวกเราพูดนะท่านไปเห็นนะท่านก็กราบหลวงปู่ขาวพอกลาบเสร็จแล้วท่านก็ปนมมือ แล้วก็ยกของคาระวะนี่ที่เราจัถวายท่านเป็นถุงไปนะท่านก็จบจบแล้วก็อธิษฐานเออท่านคงจะอธิษฐานว่ากับผมเลยประมาทพลาดพังครูบาอาจารย์เขาคงจะลักษณะอย่างนั้นแหละเราก็ไม่กล้าถามท่านแต่แต่ตามไม่จริงท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วท่านก็คงจะเอออันนี้ถือเป็นประเพณีทําเป็นประเพณีให้โลกทั้งหลายเขาเป็นตัวอย่างเน้อกับผมไม่มีอะไรที่จะประมาทพลาดพังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ โลกทั้งหลายเขาถือกันว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยอยู่ด้วยกันต้องแสดงความเคารพคารวะตามโลกสมมติท่านอาจจะถืออย่างนั้นก็ได้แต่ท่านก็ยกสิ่งที่คารวะเป็นประเพณีก่อนเข้าพรรษาจากนั้นก็ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้รับอย่างหลวงปู่เขาท่านก็รับหลวงปู่ชอบหลวงปู่คําดีหลวงปูช่ชามา่าแถวจังหวัดเลยมีครูบาอาจารย์ที่มีอายุเหนือกว่า องค์หลวงตาจากทั้นทางมาแถบสกคนครวก็มาคารวะหลวงปูฟันน่นนีเนีเลื่อนองหลวงปูพรมหลวงปูพรมหลวงปูฟัน่นที่มีอายุเหนือกว่าท่านที่ท่านรักเคารพนับถือทางว่าท่านไม่รู้จักหรือว่าท่านไม่เคารพก็มีอยู่นะแค่ว่าครูบาอาจารย์บางทีก็ความเห็นไม่ลงรอยกันอย่างนี้ท่านก็เฉย แต่ท่านองค์ไหนที่ท่านเคารพนับถือท่านก็เข้าไปคารวะอันนี้คือเป็นประเพณีก่อนเข้าพรรษาหลวงตาเคยทำแต่ท่านไม่ได้พาลูกศิษย์ลูกหาหรือท่านไม่ได้กล่าวคำว่าอาจารยเยหรือมหาเถรหรือเถรีปมาเทนะท่านหลวงตาท่านจะไม่พูดท่านจะไปนมมือแล้วก็จบของคารวะบนศีรษะของท่านยกอธิษฐานจิตเสร็จแล้วขอท่านก็ถวาย แคระวะครูบาอาจารย์ที่ท่านที่มีอายุพรรษาเหนือกว่ามากกว่าท่านจากนั้นแดงก็กาบดวงตามหมาบัวในกราบสวยนะกาบโอ้ากาบไม่รีบไม่ร้อนกาบครูบาอาจารย์ที่เราเห็นแล้วโอ้ยซึงในใจนะพอกาบเสร็จแล้วท่านก็มีอะไรก็สนทนาปารบกันและทีนี้มาอย่างไงไปยังไงในพรรษาอย่างไรนี่แหละอันนี้ก็คือก่อนเข้าพรรษาทุกปี จะไปคารวะครูบาอาจารย์เพราะคณะทายาติโจมโคงอยากจะถามอยากจะรู้ว่าอย่างองค์หลวงตาในท่านจะไปเคารพคารวะครูบาอาจารย์ไหมหลวงพ่อสมัยหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบ้านตาัท่านทําอย่างนี้แล้วนะหลวงพ่อเองเป็นผู้จัดของคารวะถวายท่านจัดเป็นถุงๆแล้วก็เวลาท่านจะไปท่านก็จะบอกเออเราจะไป คารวะหลวงปู่ขาวเนอะหลวงปู่ชอบถ้าเป็นไปได้สักสองส า, า 2, วัดเราไม่ให้สองสามวัดแหละเผื่อว่าสักสีห้าวัดไปเลยแต่เผื่อท่านพบครูบาอาจารย์มากราบคารวะกันน่ท่านก็จะได้ถวายไปเลยให้จบจบไปเราก็คิดเผื่อถึงขนาดนั้นแหละอันนี้ก็คือองค์หลวงตาท่านก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยเห็นครูบาอาจารย์ที่มีอายุ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 โดยมากหลวงพ่อไปก็จะไม่ได้พูดมหาเทเรเพราะท่านหลวงตา ต, ตามลำพังเนี่เราก็เอาของไปถวายท่านแต่ว่าอย่างหลวงตาเนี่ยเราก็รวมกันทางนั่นแหละทางวัน12สิงหาบนช่วงเข้าพรรษาพอดีแล้วก็ทางเจ้าคุณพระธรรมบัณฑิตวัดโพธิสมพรท่านก็ พาลูกศิษย์ลูกหามาคารวะพระเนนหลายจังหวัดในจังหวัดอุดรน ong คายน o งบุรีลำพูสกลนครประการไปที่ไหนพระเนนกําลังไหลาบางบางปีก็เป็นตั้งสองสามพันเลยมากราบคารวะองค์หลวงตาถือดอกไม้ทูบเทียนไม้จิ้มฟันไม้สีฟันแต่ที่ท่านลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านทํามาเพื่อถวายครูบาอาจารย์เป็นประเพณี แล้วก็ป้าอาบน้ําฝนมาถึงแล้วก็เนี่ยนะท่านหลวงปู่ทำท่านก็มีอายุพรรษาเหนือกว่าหลวงตาแต่ท่านก็ให้ความเคารพในหลวงตาท่านก็ไปนั่งเป็นประธานพวกเราทั้งหลายก็ได้เวลาแล้วก็กลาบขอโอกาสคารวะองค์หลวงตากับผมหลวงตาก็เออจากนั้นพวกเราก็ตั้งนโมพร้อมกันจากนั้นก็กลาบ มหาเทเรปมาเทนะทวารละตเยนะกะตังสับพังอ ร, ราทางขามะทุโนภพันเตจากนั้นหลวงตาก็ให้สินให้พรพอให้สินให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งก่อแสดงธรรมเเออเทศเทศโปรดพระเนนลูกหลานอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอะลูกหลานพระเนนทุกองนเนอะอันนี้จนจะเข้าพรรษาสิออ่งไหนก็ตาม อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบปูนงามความดีให้มีให้อยู่ในศีลให้อยู่ในวิตไทดวงตาท่างกรเทศอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นพอพระสูงมามากๆโวงตากรเทศแบบเผ็ดร้อนนะสอนพระนะบางทีสอนเผ็ดร้อนพอสมควรจากนั้นก็สอนออกสอนพระเสร็จแล้วอาารยก็สอนสถาญาติโยมเดี๋ตั้งอยู่ในความประมาทให้สร้างบุญสร้างกุศลทำบุญเนอสร้างบุญสร้างกุศลไว้เนอ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 เกิดพบนายชาติหน้าเขาเราจะได้มีความสุขได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระพุทธเจ้าในอนาคตเราก็จะได้บำเพ็ญกุศลบารมีต่อไปจนพ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงพระทิพานไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกนะี่แหละอนุโตาท่านก็จะแดงทมให้โปรดพระสงฆ์และคารวาะญาติโยมหลวงปู่ธรรมวัดโพธิสมพรเป็นผู้พานา มากราบภาระวะคือแปดค่ำเลลนะพอเข้าพรรษา15คห้าแรม8ปดค่ำก็ใช่ละทุกปีที่ผ่านมาแต่สว่วนดาลูกศิษย์ลงตาเถิดแก่ลูกศิษย์ลูกหาลงตาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายพวกเรานัดวันที่12สองสิงหาให้พร้อมกันเนอะวันที่12สิงหามากราบคารวะลงตาตอนบ่ายพร้อมกันเนอะพร้อมกันกับมีการทอดผ้าป่าด้วยนะเพื่อลงตาได้ นําจะตุกปัจจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สําหรับท่านหลวงตาช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนช่วยสาธารณประโยชน์พวกเราในฐานะลูกหลานทั้งหลายวัดไหนที่พอที่จะมีจะตุกปัจจัยกันมาพร้อมๆกันไนดะ้เอามาทอดผ้าป่าเพื่อถวายองค์หลวงตาอันนี้พวกเราก็เลยมาพร้อมกันวันที่12สิงหาทุกปีจากนั้นมาถึงแล้วก็เราก็ทําพิธี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 อยู่ที่วันตาอันนี้ก็คือเป็นประเพณีอันดีงามสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลกับองค์หลวงตาด้วยนี่แหละเอ่อเถ้าเราไปอยู่นสถานที่ใดวัยวุฒคุณวุฒเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญถ้าเราไปอยู่ที่ไหนปราศาทีเสมอไม่มีสูงไม่มีต่ําไม่มีผู้น้อยไม่มีผู้ใหญ่ไปอยู่นสถานที่ใด เอ่ก้าวกายก้าวกายกันหาความเคารพยำเกรงกันไม่ได้นั่นแหละความขีบหายจะเกิดขึ้นในชุมชนในกลุ่มนั้นไม่นานแต่ถ้าเราพวกเรารู้จักวัยวุฒิคุณวุฒิเอแล้วก็เคารพตามวัยนั้นนั่นแหละความเจริญออกเงยก็จะเกิดขึ้น อ, อย่างวันที่13ที่จะถึงนี่ก็พวกเราคงจะได้ไปทอดผ้าป่าเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ ถวายปัจจัยหลวงปู่ลีเพื่อสร้างเจดีผาแดงนะก่อนที่จะถวายผ้าป่าหลวงพ่อก็ยังคิดอยู่ว่าพวกเราน่าจะทําวัดคารวะหลวงปู่ลีซะก่อนเพราะจวนจะเข้าพรรษาเรากบราบคารวะหลวงปู่ซะก่อนเออครูพวกเราได้ประม า, าทพลาดพังครูบาอาจารย์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ขอให้ครูบ า, าอาจารย์โปรดเอโหัวสี่ให้ข้าไปเจ้าทาั้งหลายด้วยข้าไปเจ้าจะได้สํารวมระวังต่อไป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 สอนเทศนาว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันต้องมีผู้น้อยต้องมีผู้ใหญ่ต้องแสดงความเคารพคาระวะชึ่งกันและกันมันจึงจะถูกนะพวกท่านทั้งหลายเป็นมนุษย์แล้วได้บวชในศาสนาของตถาคตตถาคตพิทารณสอนให้พวกเธอทั้งหลายท่านทั้งหลายออให้ออกจากโลกวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดและพวกท่าน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 พระพุทธเจ้าสมัยนั้นพระก่อนรู้สึวีวกแข็งกระด้างเห็นว่าตัวเองอายุมากแล้วก็ไม่ก้มหัวลงกราบผู้มีอายุน้อยไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ถูกต้องต้องกราบคารวะเพราะว่าในครั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยพระติดสะเถระเป็นเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นญาติของพระพุทธเจา้าในกรุงก บ, บินภัทรออกบวช พอออกบวชเข้ามาแล้วท่านก็นั่งอยู่ท้าลายอย่างนี้ใครมาเขา้าคนมีอายุใช่ไหมใส่คลองผ้านั่งพระมาก็กราบาก็ไม่ได้ถามท่านว่าท่านมีอายุพรรษาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ถามพราเห็นท่านนั่งอยู่ที่อยู่ที่นั่งของพระเถระพระเถระผู้มีอายุพรรษามาก็กราบท่าน พอกราบเสร็จแล้วท่านก็นถามท่านพระอาจารย์ครับท่านมีอายุพรรษาเท่าไหร่พระองค์นี้กับหมูม่ ม, มาหู่ัาผมเพิ่งบวชยังไม่ได้พรรษาไอ้พระน้อยพระ น, ระนมทั้งหลายเขาก็อา้าวหวงตาแก่องค์นี้ทำไมทิฏิมาณนะอย่างนี้ไม่รู้เหลอคนที่บวชก่อนจะให้มากราบพระที่มึเพิ่งมาบวชอย่างนี้เหรอมันได้ศึกษาไปไหนไหมเนี่ย ที่อยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าทำาไมทำตนอย่างนี้พระน้อยเขาตะวาดได้แต่เนี่ยตัวเองก็เป็นเชื้อพระวง์ฮะเป็นเชื้อพระวง์เพราะว่าเป็นศักยะเนีอเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้ามาจากกรุงกบิลพัทพอเขาดูถูกอย่างนั้นก็นโมโหให้เขาเน่ยให้พระน้อยพระหนุ่มเอาเถอะพวกเธอทั้งหลายต้องต้องโดนไล่นี้จะวัดแน่ละ่ะ เพราะเหตุไรเพราะว่าเรารู้ไหมว่าเราเป็นใครปวดจากได้อีกต่างหากเพราะว่าท่านเป็นสากยะได้เป็นเชื้อพระวง์ของพระพุทธเจ้าถ้าการทูลพระพุทธเจ้าเมื่อไรพวกท่านทั้งหลายก็เด็นไปหมดละความคิดของติดสะนะแต่นี้ก็พระสงฆ์ทั้งหลายก็กล้ากลัวเกงเกงเหมือนกันน่ยเพราะว่าท่านเป็นเชื้อพระวงศ์แย่อพอพระเอานี่กับ ไปคนนี้ก็กตามไปเองไปฟังนี่พระพุทธเ จ, จ้าจะว่าอย่างนงงีก็ไล่ก็ยอมไล่แล้ววะพระสงฆ์ว่านะท่านพระพุทธองค์ก็ถามว่าติสซาเธอร้องให้ทําไม่พระติสซาคนนี้พระสงฆ์ที่ตามฆ่าพระองค์มานี่ตวาดฆ่าพระองค์อา้าวทาไมเขาจึงตวาดเพราะว่าฆ่าพระองค์ไปนั่งอยู่นั้นอ่ะอบอกว่าท่านมีอายุพรรษายัางไงท่านก็เขาก็ ว่าให้ข่าพระองค์อย่างนี้อย่างนั้นเสียหายไม่เคารพในข่าพระองค์พระพุทธองค์ก็บอกว่าอา้าวพระสงฆ์ว่าอย่งไพระสงฆ์ก็บอกว่าเนี่ยพระติสรเพ่งบวชไม่ได้พรรษาแล้วก็ไปนั่งอยู่บนศาลาแล้วก็ให้พระมหาเถระที่มีอายุพรรามากกว่ากราบทำได้ยังไงพวกข่าพระองค์ก็เลยได้ดุดา่าได้ได้ว่ากล่าวไปบ้างว่ามันไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถูกต้อง พระพุทธองค์เมื่อวานอืมใช่พวกพระเขาพูดถูกต้องแล้วนะติสสะเธอไม่ไม่ควรจะทำอย่างนี้เธอทำได้ผิดนะควรไปคารวะเขานะป้าติสสาโอ้ยไม่ยอมเออพระเรานั้นดาวข้าพระองค์แท้ๆจะให้ข้าพยองไปยอมไปยอมสยบได้ยังไงทิฏฐิกษัตริไม่ใช่ธรรมดาแน่เลยพระพุทธองค์ก็ สอนบอกกล่าวยังไงก็ไม่ฟังปฏิสัตพออพระพุทธองค์บอกว่าเออพิกษสุทั้งหลาย อ, อติสัสนี่เคยทําอย่างนี้มาก่อนแล้วเ อ, อเรื่องทิฏฐิมานะจุกนี่พระสงฆ์เลยถามสมัยไหนพระเจา้ากาเออพวกท่านทั้งหลายอยากจะฟังเลยอยากจะฟังพระเจา้าการพระองค์เลยเทศเป็นชาดกให้ฟังฮะสมัยหนึ่งออท่าน อ, อ เขพระเจ้าพองเราเยไปเป็นลือีเป็นลือีอยู่ในป่าแล้วก็ติดสะนี่ก็เป็นรือีเหมือนกันอยู่ในป่าแต่นี้พอจากนั้นมาก็ไปอยู่ในป่านานเข้าไปก็อยากจะกินเกลือใช่ไหมในป่าไม่มีเกลือจะกินนะอยู่ในป่าลงพงไปลึกๆไม่มีเกลือจะกินคนขาดเกลือมากๆเ่ยมันก็ทำให้สุขภาพย่าแย่มอ น, นกันนะขาดอาหารขาดของเค็มจากนั้นท่านก็น เดินเข้ามาหาหมูมนุษย์เข้ามาในเมืองเพื่อจะได้บินธบัติได้ฉันเกลือนี่แหละแต่ท่้นก็เดินมามาเขาบอกว่าแถบนี้มีที่ไหนบ้างที่พั ก, กเขาก็บอกว่าในบ้านในช่างหม้อใ น, ในช่างตีหม้อเขาตีหม้อเขเป็นมีโรงมีโรงใหญ่เขาตีดินปั้นหม้อมีที่นั่นแหละที่ว่างอยู่โดยมากพวกฤษีศรีภยัย มาพักก่อนนี่นหะไปพักบ้านช่างหม้อนี่แหละแต่นี้ก็ลือสีอที่เป็นที่บวดก่อนน่ยลือสีที่ที่บวดก่อนอออนะก็เลยไปก่อนอพอไปแล้วก็เออจะมาขอพักได้ไหมท่านช่างหม้อเออได้ครับแต่ผมไม่ได้อยู่นะผมจะกลับบ้านให้พกักคุณพันท่านเลือกนอนตามสบายสบายก็ตรงไหนก็ได้ครับไม่มีใครนะให้ท่านเลือก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 พักที่ไหนทางฤาษีหนึ่งเออขอบใจโยมจากนั้นาก็มามาเข้ามาเห็นฤาษีองค์ก่อนมาก็เลยมาคุยสนทนากันพูดกันหลวงฤาษีองคมาก่อนเออเดี๋ยวผมจะนอนอทางประตูนี่นะไอ้ทันนอนข้างในทางฤาษีนีค่ครับผมทำไมนะก็ไม่มีไฟฉายด้วยใช่ไหมไม่มีไม้ขีดไฟด้วยแหม ต่างคลนก็ต่างมืดมิดปิดตาอีกต่างหากหลับตาก็ลืมตามันมืดเท่ากันฮะมันอยู่ในในป่าฮะจะได้ท่านฤาษีที่มาอยู่ก่อนนะก็เรานอนอยู่ข้างในมันก็ร้อนวะ่ะเราควรจะมานอนขวางประตูฮ ะ, ะนอนเนี่ยรับลมมารับลมเย็นๆท่านฤาษีตรงหนุ่มแลก็ ท่านก็นอนอยู่ข้างในตอนนี้นพอดึกเข้ามามันปวดปัสสาวะเนี่ยปวดเบาฮงก็เดินออกมาพอเดินออกมาตอนหัวค่ำตือสีท่านขันศีษะไปทางโน้นนะเออแต่ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเพราะมันมืดทั้งกันโดยเดินเดิ น, เ ด, น, เ, ดนเดินมามาก็มาเหยียบเหยียบเท้าลือสีลือสีที่ไปอยู่คนองค์ที่อยู่ก่อน องด้วยสีนี่ก็สะดุ้งเหมือนกันเอา้าทําไมม า, าเหยียบรองเท้าแล้วเหยียบเท้ากันเนี่ยโอ้ผมคิดว่าอาจารย์ไปนอนที่อื่น ข, ขอโทษขอโทษขออภัยขออภัยเออขอขอโทษมากๆครับผมไม่รู้ว่าอาจารย์ไปนอนที่อื่นท่า น, นอาจารย์มานอนที่นี่ครับผมมานอนที่นี่นะแต่พอเหยียบเท้าใช่ไหมเก็เดินไปแต่นี้พอพอองนั้นไปปัดสะวะเสร็จแล้วแต่นี่อาจารย์นี่ยก็ มันมาข่าขึ้นมาข่านั่นแนหะมันเหยียบเท้าเดี๋ยวมันจะมาออีกได้เนี่ยมันจะมาเหยียบเท้าเลยเออประหันหัวกับทางไหม้บัด เ, เอาเอาทางหัวมาทางเท้าบัดององ์องนี้ก็เอ้เมื่อข่าที่แล้วนั่นเราเหยียบเท้าออบัด น, นี้เราจะไปอีกทางนึงอีกหนึ่งพอไปอีกทางในสองไปเหยียบคอบัดนอ๋ลอล้อขึ้นมาอีก พาลือศีโกโหกพาดูศีแย่อนี้มาทําไมข่าวที่แล้วเหยียบท้าบันไดเหยียบคอเราเองเพื่อนเอเออเลยีโอ้ยขอโทษขออภัยอาจารย์ผมไม่มีเจตนาสักหน่อยที่ว่าท่านอาจารย์จะหันศีสะไปาทางโน้นผมกริมาที่นี่กลับมาเหยียบคออาจารย์อีกเหยียบคออาจารย์อาายีกขอโทษขอโทษขอโทษเอ้ยมันตั้งเจตนาแน่ๆ แ, แบบนี้เพื่อนเอ๋ยังไงก็สองคนก็เถียงกันเล้เออก็เลยแช่งกันล่ะเนี่เยเสกทีลือศีนะนะ แช่งกันนะเอาเถอะท่านเจตนาเหยียบเท้าลราเหยียบคอเราอเกงกทำไอพระอาทิตย์ขึ้นมาขอให้สีสะของท่านแตกเป็นเจ็ดภาคาลือสีเอลือสีผู้ที่เป็นอายุพรรษามากเนี่ยแช่งให้ลือสีหนุ่มแต่ลือสีหนุ่มเนี่ยท่านได้ฌานได้แต่เนี่ย รู้จักอดีตอนาคตรู้จักตําดินบนินบนมีอภิญญาสมาบัติด้วยสินะเหาเหินเดินฟ้าได้อีกต่างหาทีนี้ลือสีเนี่ยก็ทั้งอาจารย์เนี่ดาดตั้งบนภูมิภูมิพำพำที่แรกกระดาบภูมภูมพำเหมือนกันนะพอเหยียบเหยียบนั้นกระทันแล้วเออพอแล้วก็พอครั้งที่สองมันหนักกว่าเกา่าดายิ่งดาร้ายกว่าเก่าอีกออ ส, อสินีะเออพอในสุดลือสีเนี่ยก็ ทั้งช่างแฉ่งด้วยจะนียเอาเธอพาทิ่ขึ้นมาให้สีสามแตกเป็นเจ็ดภาคมันทำชั่วถึงขนาดนี้คนไหนะทางลือสีที่ท่านได้สานจะมาบาดือสีหนุ่มท่านก็นั่งกำหนดดูเอ๊ะที่ลือสีอาจารย์สาบแฉ่งเมื่อกี้เนี่ยมันจะตกถึงใครนะท่านก็เล่งดึงอดีตอดีตอนาคตเลยเนี่ยเล่งดูฌาน เพ่งดูชานอดีตอนาคตพอเห็นโอ้ลือศีที่นี่แหละไม่ได้สมาบัตไม่มีไม่มีอะไรเลยนี่แหละพาอาทิตย์ขึ้นมาในศีรษะของลือศีเนี่ยผู้แช่งนะ่จะแตกเลยนี่ไม่ใช่ศีรษะของเราเนะีเราไม่มีความผิดเนี่ยถึงเราจะเหยียบคอก็ะจิงอยู่แต่เราไม่เจตนาฮะเออนี่แหละความความแช่งไวน้นี่แหละความฉาบความแช่งไว้แล้มันจะตกไปหาตัวเอง ทีนี้ก็ลือศีหนุ่มนี่ก่อนนั่งภาวนาอยู่ข้างในตรวจตาดูเพราะท่านมีญาณทัศนะนี่ใช่ไหมเอ่จากนั้นก็ถือศีในจมภูมิความเสร็แล้วก็นอนเลยพอนอนลือศีที่หนุ่มเนี่ยที่มีญาณทัศนะเนี่ดูแล้วโอ้ไม่ได้ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นมาในศีรษะลือศีจะแตกแน่นอนแตกเป็นเจ็ดภาคแน่นอนเราจะ เราจะช่วยยังไงเนาะตอนนี้ปลืส้สีท่านมีอิทธิฤทธิ์แน่แต่เนี่ยปลื้สีหนุ่มก็เลยไม่แหงไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นนะเออเพ่งไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์กับมิดวันนะ่ะนะอา ย, ยุถึงเจ็ดนาฬิกาพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นแปดนาฬิกาพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นตายทําไมพระอาทิตย์ไม่ขึ้นวันนี้พวกสุกเจ้ามีอะไรมันมีอะไรวิบัติไหม แต่ก่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยโพลุหิตตายจานก็ออกมาเลยว่ะเนี่มาวิเคราะห์วิจารกันค่อยๆหวัดดูลึกดูยามดูเรื่องงานยามดีเ ล, ย, เล ย, เยถ้าเป็นลักษณะนี้ลือสีทะเลาะกันนะว่าจะไดผู้มีฤทธิ์ทะเลาะกัน อ, อย่างนี้ลั้งไม่ให้พระอาทิตย์เกิดไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นต้องมีใครเห็นหลือสีมาในถิ่นบ้านของเราบ้างประกาศเลยเว่าทางนายช่างหมอกบอกโอ้ยมีฤทธิส์สองคนแล้วไปพักที่ที่บ้าน ของข้าพเจ้า อ, อบ้านข้าพเจ้าก็ให้พักด้วยกันสองคนเน อ, อถ้าเป็นลือศีนะแต่ถ้าไปถามเขไปถามท่้นแหละเออไปถามแลเสีก็เลยให้คน อ, อตำรวจทหารเนะี่ยเป็นผู้มีอันนั้นแหละเจ้าเมืองบอกออกไปถามพอไปถามลือีบอดใช้เราทะเลาะกันสาเหตุที่ทะเลาะก็คืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เด้ทาง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 เพราะนั้นข้าพรเจ้าจึงไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นน่ถ้าขึ้นเมื่อไหร่ก็หัวแตกเมื่อนั้นแหลนเพราะความแช่สาบแช่งของท่า น, นเมื่อพระอาทิตย์คือมาให้สีสาวแตกก็น้องแตกข้าใครทําไม่ถูกแต่นี่คำเราคำไม่ถูกคำที่มันตัวเองทําไม่ถูกทเลยเออมันไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่เศรษฐีหรือสีหนุ่มทําไม่ถูกหรือสีตัวที่ไปนอนขวางไปขวางมาเนี่ยทาไม่ถูกน่ เพราะฉนั้นอาตมาจึงไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นพระเจ้าแผ่นดินในเมืองนั่นก็คงจะเป็นเมืองไม่ใหญ่เขาเข้มาถามโอ้ท่านจะทํำยังไงท่านจึงจะไม่ให้ศีษะซืดืสีนี่แตกก็มีทางเดียวเท่านั้นและเอาดินเหนียวเอาดินเหนียวพอกหัวาลือสีออแล้วก็ให้ลือสีไปอยู่ให้ลือสีมาคารวะสะตีเหลกนะ ให้ฤาษีอาจารย์มาคารวะอาตมาซะได้พูดไปแล้วอโดยท่วงเกินไปแล้วขอให้เอาโหัวสีให้ท่านฤาษีเอาโหสีให้ข้าพระเจ้าด้วยออาตมาก็จะเอาโหสีให้พรามเป็นคําคํำสาบ แ, แช่งเนี่ยคํำสาบแช่ง เ, เนี่ยแต่ทางฤาษีผู้แก่น่ยทิฐิมันสูงเลยบอยไม่ยอมจะให้ข้าจะจะยบกับ ตือสีสู่ชั่วได้ยังไงที่แรกก็เหยียบเนียที่แรกเหยียบสดาน่ะต่อมาเหยียบคอใช่ที่แรกก็เหยียบให้กข้าไปเว้นไปไกลๆเนี่ยไปเหยียบสดาของฤษีนะฤษีหันหัวมาทางนี้อีกมาวันนี้เหยียบคอไปเออไปนี่ยแต่นี้ยเลยจะให้อาตมาจะให้ข้าพเจ้าเอาหวัวศีให้ได้ยังไงเสถียนมัน เกลืเกินน่ยมันมัดที่แรกเหยียบสตาทั้งที่สองเหยียบคออีกจะให้ข้าพระเจ้าโอา้โหสีให้ได้ยังไงโมโหเนี่ยทางตือสีหนุมห่มไม่ใช่ผมไม่ได้เจตนาแต่ท่านอาจารย์นอนที่แรกหันไปทางหนึ่งผมคิดว่าจะเป็นมาทางหนึ่งไม่ท่านอาจารย์ก็หันหัวมาทางหนึ่งอีกเนี่ยเออผมได้จูบอะไรลือสีสองคนไม่ลงดอยกั น, นไม่ยอมทํายังไงก็ไม่ยอมแต่พระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นนลย พระเจ้าเป็นเนโอ้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไปจับจแลวจะทำยังไงวิธีการที่จะไม่ให้สีสาแตกเอานี่ยจับรือสีเนี่ยพอมพากันจับฤือสีจับฤือสีที่ที่สาแช่งลงไปในสระน้ำเพราะเพราะว่าเอเอเอเอที่ที่ปั้นหม้อเขาก็ต้องมีสระน้ำถึงมักเขา ก, กดดิงขึ้นมาเขาก็จะได้กับ ให้ลือสีตัวนี้แหละลงไปในสระนั่นแหละให้เพียงคอนีแล้วก็เอาดินเหนียวเนี่ยดินเหนียวที่ปั้นหมอนโปะบนศีสระลือสีเน่ยแล้วก็ข้าพไปเจ้าจะคลายฤทธิ์พอคลายฤทธิ์พาทิศโผล่ขึ้นมาจับลือสีมดุดน้ําเลยนะเท่านั้นเออที่แหละแล้วก็ดินเหนียวเราจะแตกกระจายเลยหัวลือสีจะไม่แตกในระ ว, วิธีแก้แค้นอย่างนั้น ทางพระราชาโอ้ยไม่ได้ไปจับทหารเขาก็เลยจับลือศีคนนั้นไปพอจับเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ปั้นดินเหนียวใช่ไพอกหัวไว้ท่านี้พอกหัวไว้เสร็จแล้วก็เอพอเสร็จแล้วก็ลือศีหนุ่มเลยก็คลายฤทธิ์แลยตอนนี้พอคลายฤทธิ์พาฤทธิ์ก็โผขึ้นมาเลยพราะพาทธิ์มันจะจะขึ้นมาพแลงเลยเนีพราะใกดไวใช่ไหมเอาติมอิทธิฤิกดไวก็โผล่ขึ้นมาเท่านั้นเอง ตัวเอง ก, ก็กลัวหัวแตกเหมือนกันนะเออไม่ใช่ไม่กลัวเงี้ยแต่ทหารไม่ต้องกดใบบาลายยากตัวเงีอเอ้ยแต่จะมุดอยู่แล้วเงี้นแต่ตอนนี้ก็พอพระทิดาโพเข้นมาเขาก็จับกดตัวเองกับมุดอีกทนะัดินเหนียวก็แตกพักเลยว่างั้นแต่เพรามันอิทิฤทธิ์เน้ยมันนั่นเนี้พอแตกพากไปทอนี้ก็ตื่สีก็เลยขึ้นมา อ, อไม่ก็ไม่เป็นไรแตนี้ยเพราะว่าแก่เค็ดเลย มันดินเหนียวแตกไปไม่ใช่หัวแตกใช่ไหมแต่ดินเหนียวมันอยู่ในหัวของลือีเออจากนั้นพระเจ้าเป็นดินก็โอตายตายตายลีชีภัยทะเลาะกันไม่เป็นผลดี อ, อ่อจากนั้นเขาก็เครพนับถือเลื่อมใสเ อ, อ่ในชีวิตนั่นน่ะนี่แหละติดสาองนี้แหละมันหัวดื้อเออสมัยนั้นน่ะเป็นลือศรีเออสมัยนั้นเราก็เป็นลือีหนุ่มบอกยังไงก็ไม่ฟังข่าวนี่มาเป็น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 มันต้องรู้จักที่สูงที่ต่ำที่ควรไม่ควรพระพุทธเจ้าอะสมัยไหนพระเจ้าค่าที่ขนาดเป็นสัตว์ทีษรชานยังเคารพกันพระพุธองค์บอกว่าสมัยหนึ่งเราไปเกิดเป็นสัตว์ทีษรชานอยู่ในป่ามีนกกะทาแล้วกม็มีช้างแล้วก็มีลิงมีช้างแล้วก็มีลิงสามสหายตนนก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 นกกรทาก็บอกว่าข้า อ, อแม่ของข้าพามาหากินแถ บ, แถบนี้แถบนี้ไม่มีนะต้นไทรตัวนี้ต้นไทรตัวนี้ไม่มีเ อ, อแต่แม่ของข้าเนี่ยพาไปกินต้นไทรต้นนู้นเม็ดไทรพอจากนั้นมาเนี่ยข้าก็มากินแล้วมาถ่ายลงนี่แหละแถบนี้แหละเ อ, อแต่มันก็เกิดเม็ดไทรขึ้นมาพันนั่นแหละพันต้นนั้นนะเป็นต้นไทรขึ้นมา ข้าพเจ้าจึงคิดว่าเนี่ยตน้นไทรตัวนี้คงเป็นมูลและเป็นอุจระของข้าพเจ้าที่ไปกินตน้นไทรจากต้นนั้นมาจึงได้เกิดตน้ตนไทรตัวนี้ขึ้นนกกระทาบอกทั้งลิงก็บอกว่าอืสมัยผมมากับแม่นะมาหากินแถ บ, บนี้ผมได้ชะแงะคอนะครๆว่าวนั่งอยู่ประดินสันแง่คอกัดกินยอดไทรต้นนี้ แสดงว่าผมเป็นน้องของนกกรนะทาทางช้างบอกหนึ่งใช่ผมมาหากินกับแม่แถบแถบนั้นนะ่ะเวลาผมเดินมาเนี่ยมันมันละท้องผมพอดีพดีผมเป็นช้างน้อยนะ่ะแสดงว่าผมเนี่ยเกิดเป็ดเป็นน้องน้องพวกท่านทั้งสองนกกระทาเนี่ยเป็นพี่ลิงเนี่ยเป็นคนที่สองช้างเนี่ยเป็นคนที่สามตัวที่สามนะ พวกเราควรจะเคารพกันเอ้าเมื่อรู้แล้วว่าพวกนกกระทาในเกิดก่อนลิงในเกิดที่สองช้างเป็นตัวที่สามเกิดที่สามเพราะมันระท้องช้างเนี่ยกิสูงพอสมควรอยู่แต่ว่าลิงเนี่ยนั่งกระดินเสงแยกคอเสงแยกปากขึ้นไปไประกัดกินยอดไทรเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยต้นเนี้ก็เลยเอ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราต้องเคารพฮันเตอาวุโสนะ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 หลวงพ่อเคยสังเกตถ้าพอไปเห็นการเห็นการแลโอ้แสดงความเคารพนับถือเรื่อมใสยิ้มแย้มแจ่มใสอแต่บางคนไปเห็นเลยเห็นกันะคึเหมือนกับปลากัดทั้งที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเอ๊มันทําไมวะมันทําไม่วะเออมันคงชาติมันคงชาติก่องเคคงเคยประลองกันพอแรงน้องั้นเถอะมาพบนิชาตินี้ก็เลยเห็นกันมันก็เลย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 ยุคนั้นจำไวนี้ยุคนั้นก็เหมือนกันมีมากมายาพระพิณายทั้งหลายแหล่พวกเราสังเกตดูสิถ้าพระไปทําผิดไปไปฟ้องพระพุทธเจ้าแสดงว่าพระในครั้งพุทธกาลเนี่ยเป็นนักร้องพอสมควรนะนักร้องเรีย น, นเงี้ยไปฟ้องพระพุทธเจ้า พ, พุทธเจ้าก็เรียกมาแหมมาก็สอนบอกกล่าวอย่างภาษาลิบุตรเป็นลูกศิษย์มีทุกศิษย์ตั้งห้าร้อพอไปที่ไหน ออวันนี้หันศีรษะไปทางทิศ ต, ตะวันออกวันที่หันศีรษะไปทางทิศ ต, ตะวันตก อ, อีกวันหนึ่งไปหันไปทางทิศเหนือเอหันไปคนอาทิตย์ทางหมดเลูกศิษย์เ อ, อ๊ะอาจารย์ของเราเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิแล้วแหละท่าลักษณะเนี่ อ, อบางทีหันหัวไปทางบันไดก็มีทําไมวะก็ไม่กล้าถามเลยแต่ตามที่จริงถ้าเป็นหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะถามนะแต่ในลูกศิษย์สมัยภาษาญี่ปุไมก่กลัวกลัวกลัวอาจารย์มากถึง ข, ขนาดนะั้นไม่กล้าถาม แต่ไปฟ้องพระพุทธเจ้าาปเนี่ยจำอดหลวงพ่อว่าพระสมัยก่อนเเป็นนักร้องนะร้องเรียนเยอะเป็นกราบพุทธเจา้าวะท่านอาจารย์ของข้าพระองค์เนี่ยท่านชาลีบุตรเนี่ยแปลกแปลกแล้วสงสัยเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมีความเห็นผิดอยู่ในจิตใจลึกๆอย่างไงก็ไม่รู้ล่ะเอเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดใช่ไหอาบางทีกับนอนฉันศีรษะไปทางหนึ่งบางทีวันหนึ่งกับหันศีรษะไปทางหนึ่ง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 เขานะ่ะคือท่านชริบุตรเนี่ยแต่นอนแต่ละคืนเนี่ยหันทิศไปได้ไม่ไปทางเก่าทั้งที่จะหันไปทางที่หัวนอนหันไปทางบันไดใเฮ้ทำไมชริบุตรชี้แจงให้ฟังซิพระสริบุตร บ, บอกว่าข้าพระ อ, องค์ได้รับธรรมะจากท่านอัจฉชิคือ พระปัจจวัคคีทั้ง5น่ยโกนธัญญาวาปัตติยะมหานามาจัจ chi เนะ่ยข้าพระองค์ได้รับธรรมะจากท่านอาจารย์ชี้ในเทศให้ข้าพระองค์ฟังข้าพระองค์ได้สําเร็จพระสวดาบันเป็นกุญแจดอกแรกที่ข้าพระองค์ได้บรรลุธรรมได้เป็นพระสวดาบันจากนั้นก็ได้มาบวชแล้วก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้จาจึงได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต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 ท่านอาจจะชิอยู่ทางทิศตะวันออกข่าพระองค์ก็หันศีรษะและกลาวไปทางทิศตะวันออกและก็หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกแต่วันนี้ท้าวพรท่านอาจชิไปทางทิศเหนือข่าพระองค์ก็หันศีรษะไปทางทิศเหนือกลาวไปทางทิศเหนือและก็นอนหันศีรษะไปทางทิศเหนือท่านอาจชิไปอยู่นักสถานที่ใดในละแวกที่ข่าพระองค์ไปพัก ปฏิบัติธรรมหรือว่าไปอบรมแนะนาสั่งสอนพี่น้องประชาชนข้าพระองค์จะหันศีรษะไปทางนั้นไปเจ้าขะด้วยความเคารพสักการะเพราะท่านอาชิชิเป็นผู้ให้ทมกับข้าพระองค์พระองค์บอกเออนี่ดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายสารีบุตรเนี่ยได้ทมจากใครจะไม่ลืมไม่หลงผู้ที่ให้ธรรมะกับตนเอง เ, ออเป็นผู้มีปัญญา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 ให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาและก็นล้วนแล้วจะเป็นคุณูปาการมีประโยชน์สำหรับพวกเราเป็นกระจกเงาสำหรับพวกเราเราไปอยู่ณสถานที่ใดอยู่ณสถานที่ใดไปณสถานที่ใดพบพ้าสามาคมกับผู้ใด เ, เราก็รู้จักสถานะของท่านของเราระวังตัวถูกไวยวชคุณทั้งวธจากนั้นก็มีแต่ความสงบลมเย็นผาสุ ถ้าว่าไปที่ไหนประาราตีเสมอไปเรื่อยไม่รู้จักสูงไม่รู้จักจำไม่รู้จักครูบาอาจารย์ไม่รู้จักครูน้อยผู้ใหญ่ไปที่ไหนก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดจะด่าใครก็ด่าจะทำอะไรก็ทำฮะอันนี้หลักทรคมาำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นนะท่านให้รู้จักสูงรู้จักต่ำสิ่งควรไม่ควรน ะ, ะต่อนนี้ไปเปิดเอ3มพสามที่หลวงพ่อคัดให ไปอัดให้ฟังนะุมละอตอนที่ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะคณะสัตว์ทยา ญ, ญาติจมลูกหลานหาได้ยากที่พวกเราจะมานั่งภาวนาวมานั่งปฏิบัติธรรมเอาเปิด MG3 ให้ฟังนุ้ยเนั่งกัสมาที่เล ย, เลยนะ